หากันฟังเทศท ำ, มมทำความสงบทําความสงบไปก่อนยินคอยฟังเทศสงบมันจะได้ยินอะไรเั้นถ้าสงบมันจะได้ยินอะไรหากมีปัญหาถามมันหาได้ยินเนือเนี่ยมันไม่สงบ็มที่หรอกมันไม่ถึงอับปัรญาจนกระทัง่งไม่ได้ยินอะไรเลยขอให้ทำความสงบอยู่ ในใจแห่งเดียวมันจึงจะฟังเทศึงจะได้ค่อยได้ความพุทธศาสนานี่สอนถึงใจไม่ได้สอนถึงคนเดิในมาไกลสินสมาธิปัญญาก็สอนใจนั่นแหละมีสติคือ ง, งดเว้นจากโทษนะนั่นเรียกว่าสินสมาธิคือสำรวมใจมันก็อันเดียวกันนั่นแหละ ส่วนปัญญาเกิดจากการสำรวมมันสำรวมอยู่เต็มที่แล้วเมื่อจิตสำรวมเต็มที่แล้วมันมีรัทธิเป่งลงไปจึงสว่างพ่วงลงไปมันตัวปัญญามันเกิดจากสมาธิถ้าหากไม่มีสมาธิมันไม่เด่งเสียงมันไม่เด่งลัทธิมันออกไปนอกๆคือมันมเศร้าหมองไปเห็นสิ่งต่งตางๆ ไปคิดนึกถึงเรื่องต่างๆให้เศร้าหมองให้มัวหมองในใจให้กุ้มใจให้เดือดร้อนถ้าไม่ทมมมันสงบได้เห็นจศาสนานี่สอนถึงใจทั้งนั้นกรรมฐานท่านทำไมยังสอนถึงใจก็อสอนถึงใจแล้วสิพุทธศาสนากยังสอนถึงใจไม่ใช่แต่กรถฐานอย่างเดียว พุทธศาสนาทั้งหมดสอนเพืจอันเดียวมันต้องมีจุดสำคัญนั่นหนึ่งไว้เรานับถือพุทธศาสนาให้เห็นจุดตรงกลางนตรงไหนตรงกลางอันตรงนั่นตรงใจนั่นแหละมันออกไปจากจุดนั่นแหะเหมือนกันกับว่า เราจะทาการทํางานอะไรต้องมีความประสงค์อันนี้งงมงายอันหนึ่งยังค่อยทํายังค่อยเป็นหลักฐานมัดตรงไปได้อย่างค่าศึกเราเจียกว่าเรามาไปจนค่าศึกเดี๋ยวนี้ต้องต่อสู้กับค่าศึกของเราที่มันลุมล้อมไปจนนั่งอยู่ทุกเมื่อคุณตั้งตัวไม่ติด นั่นจึงคำหลักขั้มันคือตัวสมาธิสมาธิคือแปลว่าจิตเป็นหนึ่งแนวเป็นอารมณ์ันเดียวอารมณ์ันเดียวในที่นี้คำเรียกว่าสมาธิจะพิจารณาอะไรก็เอาให้มันสู่อารมณ์ันเดียวแล้วเป็นสมาธิทั้งนั้นไม่ใมันแยกออกไป แนรลมต่างๆอย่างเราพิจารณากายก็ตาพิจารณากายนั่น <c oughs> แหะแยกแยะกายนั้นออกไปเป็นถาดสี่น้าไฟลมแยกแยะออกไปนั้นเสร็อาการสานที่สองนี่กระทั่งเป็นธาตุสีน้ำไฟมเรียกว่าอารมณ์อันเดียวคือมันอยู่ในกายไม่ออกจากนอกกาย มันต้องตั้งหลักตรงนันอย่างนี้เรียกว่าสมาธิท่านพูดเรื่องพวกมาเสียมันก็สงครามเราไปจนต่อสู้เนีนี้เรียกว่าสงครามพูดเองข้าศึกการทำสงครามมันสมัยโบราณท่านเรียกว่ามี คคูประตูหอหลบพบขันบริบัตทุกสิ่งทุกประการค่ายคูนะั่นหมายความว่ามีกำแพงอันหนึ่งชั้นต่อไปเรียกว่าคูน้ําคูน้ํากับกว่วเขาต้องควรในลาวศรีห่าวาเรียกวคูน้ําแล้วก็มีอีกอนเป็นถนอนอันนั้นเรียกว่าไม่ไม่ได้สูงคูนะคูทจดีย์แล้วก็มีอีก ครหน้าอีกตอนหนึ่งก็ไม่ไม่ใหญ่เท่านี้หรอกไม่ใหญ่เท่าเดิมนี่เรียกว่าให้คูประตูในประตูนั้นอย่างประตูชุมพลที่เราเห็นอยู่โคราชแต่ยวเขาทำลายหมดแล้วเพื่อจะทาวงล้อมรอบคงว่างออกไปประตูมีกำแพงล้อมรอบ เวลาข้าศึกสโตเข้ามามันต้องพวกอยู่ในกำแพงจะ ต, ต่อสู้ก็มันต้องขึ้นบนกำแพงบนกำแพงเป็นช่องเล็กๆขึ้นบนกำแพงนั้นยิงปืนไปใส่พวกข้าศึกข้าศึ ก, กซึ่งจะเข้ามาถึงกำแพงนั้นมันต้องข้ามปูสองแห่ ข้าคันน้ำไอ้คูตามสองแห่งแล้วก็คันคูอันหนึ่งคูจะมาถึงสําแหงใหญ่เขาก็ยิงกันตรงนําปกูที่ข้าจะเคลียร์มาถึงสอแงแหงมันต้องสนุกยิงแล้วแล้วพ่อยิงมันไม่ีไม่หวังที่จะยิงถูกหรอกถูกมันพวกอยู่ภายในอันนี้เนี่ยว่าค่ายคูประตูหอหลบในสมัยโบราณท่านทําอย่างนั้น เมื่อมีใครผู้ประตูของรถครบบริบูรณ์อย่างนั้นแล้วยากนักซึ่งข้าสึกจะบุกให้แตกสลายเพราะเหตุใดเมื่อออกไปจนข้าสึกงงนั้นจะต้องสะสมกำลังเทียงพอเสี่ออยู่ภายในกำลังเทียงพอถ้าแก้วทหารเนตซับทั้งต่างอาวุธเสียงอันครบบรบิ บ, ร บ, รบูรณ์แล้ว ออกต่อสึกคือออกนอกกำแพงต่อสึกหาสึกอันห้าก็กำลังแล้วอ่อนกำลังแล้วน้อยกซาบกำแพงปิดประตูไว้ค่ายครูประตูหอหลบรักษาเอาให้ดีอย่างนี้เรียกว่าฆ่าสึกทำลายไม่ได้ท่านอุพมาเปรียบอย่างนั้นเพราะที่เราไปจนฆ่าสึก คือทำสมาธิให้แน่วแนว่ทำสมาธิให้เป็นหลักปักให้มันมัน่นเรียกว่ามีคลายคู่ประตูของโกถ้าหากว่ามีกำลังเปลี่ยนอ่อ้วยังคอยต่อสู้กับจนกิเลส ต, ต่างๆอย่างผมลงโกรกผมลงโกกขึ้นมามานอาทิตย์ทีโกิกขึ้นมา แล้วก็จนต่อสู้ปกสู้ด้วยอาการยังไงตู้ด้วยอาการที่พิจารณาอย่างมันโลภโลภไปทําไมได้อะไรมามันได้ความโลภมันไม่พอความอยากได้ไม่พอคว้มอยากได้ไม่พอนั้นได้มาทําไมได้มาเกิดมาเลี้ยงร่างกายร่างกายนี้มันเลี้ยงว้วมันจะเป็นอะไรต่อไปไม่อยากต้องตายต้องแตกต้องตายสลาย ตายปไป็นดินน้ำไปลงเราได้มาได้มาลไ ด, ได้ดินน้ำไปลงมาประสานเรื่องอันนี้แหละไม่ให้มันแตกไม่ให้สลายก็เอาดินน้ำไปลงไป ม, มาบำรุงดินน้ำ น, นี้มันจะแตกสลายถ้าเกา่าก็เป็นดินน้ำไปลงถ้าเก่ากัอนบำรุงมันก็เป็นดินน้ำไปลงอันนี้ก็ตัวดินน้ำไปลง น, นั่นก็ไม่เห็นห น, นี่ยมันโกรธอะไรนี่ มันโกรดอะไรโกรธคนนั้นคนนี้สิ่งที่ไม่ชอบไม่พอใจคนนั้นก็มันจะต้องแตกต้องสลายต้องตายแล้วก็ต้องแตกต้องตายต้องสลา ย, ลลา ย, ลายมันเลยไ ป, ไ, ปไม่มีอะไรกันแต่โกรธที่เคยโกรธไม่มีอะไรมันก็มันก็ปล่อยว่างไม่เห็นมีหลักฐานอะไรไม่เห็นมีของมันคงอะไรของนี้จังทุกขังหน้าตาทั้งวัด เพราะมันโกรธมันก็ต้องตายคนนั้นก็ต้องตายเหมือนกันกับเรามั น, น, นหลงหลองัวเาประม า, ม, ามันก็เหมือนกันอันนั้นเรียกว่าต่อสู้กิเลสต่างๆเมื่อต่อสู้กิเลสต่างๆอันที่มันก็เริกทําให้จิตเราทุ่งเทวสงสายไปโดยประการต่างๆ มันสงบลงไปได้ถ้างับสงบลงไปได้ด้วยใจตั้งมั่นเป็นสมาธิถ้าใจไม่ตั้งมั่นเป็นสมาธิก็เลยกตกลงปวกเปื่อนไปเมื่ออยู่คงที่จิตใจนะก็เลิกปรงุรงซุ้งซ่านต่อไปอันนั้นเรียกว่าแพ้เขาเหตุ น, นั้นแพ้เมื่อแพ้เราต้องเข้ามา สู่พระนครคือตัวสมาธิแบบนี้เนี่ยโบราณท่านบอกว่าประจวบค่าศึกมัต้องมีที่ตั้งให้มันคือกำแพงรักษาประตูให้มันเมื่อมีกาลังมันแล้วค่อยออกต่อสู้ต่อไปถ้าคนใด ปฏิบัติฝึกหัดสมาธิให้มั่นคงถาวรและไม่ต้องเกี่ยวเนื่องถึงเรื่องอืปเรืนอนอไม่ต้องอยากได้นู่นอยากอั่นนี้อยากเป็นนั่นเป็นนี้อันนั้นในตัวกิเลสเกิดึ้นมาแล้วอันนั้นไม่ไม่ตั้งมัน่นยังไงอย่าตั้งมันลงให้แน่แน่ว แ, แน่ให้เอาให้ตั้งมั่นให้แน่ว แ, แน่ให้เต็มที่ไปก่อนแล้วมันยังค่อยไปเองมันก็ค่อยเกิดเองเรา คือจิตใจอย่งหนึ่งจิตอีกหนึ่งที่อาตมาพูด น, นจิตคือคู้คิดผู้นึกมันออกไปจากใจใจนั้นมันไม่คิดไม่นึกมันมีความรู้สึกเฉยเฉยรู้สึกตัวเฉยเฉยแต่ไม่คิดไม่นึกเราไปส่งสายตามจิตที่มันคิดเหมือนนึกไม่มีที่จิตถูกเหต น, นั้นนีงว่าให้ย้อนกลับคือมหาใจ คิดตัวกลางกลางวางคิดเฉย อ, อยู่ไว้คิดม่ น, นึกแล้วก็สงบใด้สงบชั่วคราวเก่าในขณะที่เราคลับปัญหาตัวกลางกลางมันสงบชั่วข่าวมันไม่สงบเต็มที่ถ้าอยากจะสงบเต็มที่ต้องออกต่อสู้อย่างที่ที่ไปฝันคิดจิตที่มันคิดมันได้พิจารณา เห็นนั้นดิจังทุกครั้งนะต า, าเห็นสภาวะลงสภาพตามเป็นจริงแล้วหมดราบขาแล้วเข้ามาอยู่คงที่มาอยูนที่เดือดตัวใจเป็นกลางนะเดี๋ยวนี้เราทำเรายังไปจนต่อสู้อยู่ยังไม่สามารถที่จะทำอย่างนั้นได้เราต้องหาทางอยู่เสมอ ให้เข้าถึงตัวกลางอยู่เสมอเสม อ, สมอที่เอาใช้ชนะได้ก็เอาตรงนี้แหละตัวกลาง น, นั่นถ้าหากจะรู้เห็นอยากจะรู้เห็นตัวกลางถ้าไม่รู้เห็นตัวกลางก็ไม่ไม่ทราบว่าจะเอาไปไว้ตรงไหนกันชนะแล้วก็ไม่สาว่าจะไปไว้ตรงไหนกันถ้าอยากจะเห็นตัวกลาง อาจารย์อธิบายฟังอย่างใกล้ๆอย่างตื้นๆนี่แหละแล้วก้นลมหายใจจะพักหนึงเข้าที่ลมหายใจกั้นลมหายใจเนะี่ยมันอยู่ดานไม่ได้แล้วการลมหายใจนั่ะเนี่ยมันการพุด่งไปหยุดนิ่งเลยถ้ามีคิดถ้า ม, มีสง่งตรงหน้าตรงหลังไม่มีทั้งนั้นนะี่ะอยู่เฉย แต่ว่าความรู้สึกก็มีอยู่รู้สึกก็เฉยเฉยก็มีอยู่อันนั้นคือตรงกลางเมื่อคิดนึกมันก็ส่งออกไปจากนั้นนะ่ะคือตัวจิตนนะ่ะจะไปตามมันใะห้ตามจิตตามนั่นคือว่าตามจิตนะคือเหมือนกับคนตามรอยงัวลอยไฟนะ่ะรอยเท่าคนเนะเป็นตน มันต้องสะกดเอาตรงนี้เองอันตรงใจเป็นกลางนี่เองจึงจะเห็นตัวจิตตามเส้นเส้นหมายผมนึงตามลอยไม่เห็นตัวยังคอยตามไปเห็นแต่ลอยอย่างตามไปถ้าเมื่อสะกดเอาตรงนี้อ่ะอันตรงที่เป็นกลางๆลางนี่ไม่ต้องไปตามมันเพื่อเห็นตัวเลยกันถ้าเห็นตัวแล้แลวตอนนี้ มันคิดแล้วค่ะนี่มันคิดมันนึกมันส่งมันใสมันวู่นมันวายสารพัดทุกอย่างเจนตัวมันละค่ะมันออกไปจากนี้คิดนึกส่งใยวุ่นวายสารพัดทุกอย่างมันก็ออกไปจากตัวนี้ต่างหากไม่ต้องไปตามนะถ้ากดเข้ามานี่เลยอยู่ตรงที่เอาแกล้สอย่างนี้แหละฮาร์ดให้มันเฉนี่ชํานฮาร์ดจะมันคล่องแคล่ว ไม่ใช่หัดวันเดียวแล้วเป็นสองวันสามาแล้วเป็นเท่านั้นไม่ไม่ใช่หัดจนจํานี้ํานานตั้งกี่ปีกี่ปีก็สุดแล้วเลยเรามาชําระตรงนี้แหละเรื่องจิตแห่งเดี่ยวสนี้แหละกี่ปีกี่ปีมันก็จะจำละตรงนี้แหละไม่ ต, ต้องไปางาจาระทีเดียวธนวาจึงบอกของเก่าไม่ใช่เอาของใหม่้องอื่นทั้งหมด ลึกของภายในทั้งหมดของภายใอกทั้งหมดของเก่าทั้งนั้นเขาก็จะเจาะลึเทศนาของเก่าคิดคิดดูสิอันมันคิดมันเรื่องมันคิดไปอะไรมันไปไหนไปแนวเก่านั่นแหละเรื่องเก่านั่นแหละคิดกับลูกกับหลานคิดกับการทำงานคิดกับบ้างกับหรือคิดสงสายกับหมู่กับเพื่อนคิดกับพี่กับน้องกับพ่อกับแม่ คิดของเกาะนะ่าอ่ะเนี่ยกิดแล้วก็ลืมมาที่เกา่ามาที่หลังเก่ของเกาะนะนะ่านั่นแหละเราชําระก็ชําระของเก่านี่แหละไม่ชำระอื่นไสงใช่ไหมทําหลักให้มันมั่นคือว่าตัวผู้รู้ผู้ที่เป็น ก, นกลางเนะี่ยทุรู้ผู้รู้อยู่ น, นนะให้มันมั่นให้เป็นหลักไว้แล้วจึงตั้งใจชําระ แล้วของเรานี่มันค่อยหายค่อยจางไปเองไม่ใช่ทาวันนี้เราแล้วพรุ่งนี้ไม่ต้องทําอีกอย่างนั้นไม่ได้แล้วโอ้ที่ตังค์คงไม่จะยังก็ตังค์ก็ไม่ยัง ก, งกงที่ท่านพูดนะจิตอื่นแล้วไม่ต้องทอําอีกแล้วทําหมดแล้วทําจิตเชตุรา่าแล้วไม่ต้องทําอีกอันนั้นเป็นคนขี้เกียจต่อชอบใจเหลืเกินนะความเป็นจริงท่านผู้วิเศษ ท่านไม่กลว่าะจะเป็นนิ่งนอนใจได้อย่างไรเมื่อเห็นแล้วยิ่งชัดเจนยิ่งรู้แจง้งเห็นจริงแล้วยิ่งขยันมันเพียนยิ่งไม่ใช่เกลียดที่คาดเดีฟังท่านพูดง่ายเหลือเกินในสันเนงเกตว่าคนที่ฝ่าไม่ต้องทําอะไรกิจที่ผมว่าไะทิ้งหมดไม่ต้องเอาอะไรหมดชอบอย่างนั้นใครก็ชอบทุกคน ต้องคิดดูไม่ทําจะทําอะไรข่านี้อยู่เฉยๆอย่างสมมติว่าได้สําเร็จว่ากดนี้พพานแล้วไม่ทําอะไรทั้งหมดจะไปอยู่ไงล่ะกรับลองคิดดูการยืนการเดินนั่งนอนไม่ใช่ทำเลยไม่ใช่การกระทำเลยเไม่คิดไม่นึ ก, ากการที่ไม่คิดไม่นึกมันจะเป็นได้อย่างไรคนเรามันเป็นไปไม่ได้ท่านคิดท่านนึกท่าน พิจารณาธรรมะของท่านต่างหากมันไม่เหมือนบุตรเฉาธรรมดาคิดเป็นธรรมนึกเป็นธรรมแล้วมันลงที่สุดถึงอนิจจังทุกขงังนาตามันหมดทนทางมันมันถึงที่สุดแล้วก็หมดทนทางมันเห็นที่สุดไม่เห็นที่ที่หมดที่จิตนีพุทธศาส น, นาสอนอย่างนี้ อันนี้ที่อาตมาอธิบายเอาเท่านี้แหละอัดสมาธิเรียกว่าอัดทำสมาธิภาวนาจะนั่งพับเทียบ ก, ก็ได้หรือนั่งไหนก็ได้แต่ทางถนัดที่สุดคือว่นั่งสมาธิพัดสมาธิดีกว่าเมื่อนั่งสมาธิเราต้องกําหนดเอาอันใดอันหนึ่งเป็นอารมณ์ เอาพุดโธก็ถนัดใจพุโทโธก็เอาถนัดอนาป่าสติก็เอาถนัดยุบหน่อพ้องหนอก็เอาหรือสมาทานหังก็เอาอันไดหนึ่งให้เป็นอารมณ์ให้เป็นปริกรรมคำว่าปริกรรมในทีนี้นั่นให้นึกอยู่เสมอให้นึกให้อารมณ์ให้อยู่กับอารมณ์มาเดียวอย่างว่าอนาปาาสติ ไม่ใช่เตะหนาป่าคือลมหายใจเขาออกนะให้จิตแน่วอยู่ในลมมันน่ะเอาจิตพร้อมจิตพร้อมในขณะลมหายใจเขาออกหายใจออกหายใจเข้าให้อยู่เฉพาะนั่นน่ะที่ท่านว่าไว้หายใจสั้นหายใจยาวอะไรต่างๆมันยืดยาวไม่ต้องเอาหรอกนัเอาไว้เฉพาะนี่แหละต้มไส้แก้วแห้หายใจเข้าหายออกเฉพาะตรงสายจมูกเท่านั้นเห็นอยู่นั่นน่ะหายใจเข้ามาหายออก หาจใจออกหายใ จ, ยจข้ามรกรตายนี่มนุษย์ึงความตายอนาภาสที่ลีลงถึงความตายเลยคันภาภาคมันตายไปไหนแล้วตายนี่ก็หมดเรื่องสั้งขาทั้งกายหมดไม่รู้สึกอะไรมิจฉลุมท่านนั่นน่ะลมนั่นก็หายไปในเวลามันเป็นสมาธิญญจริงๆรือจังลมนั่นก็หายหมดไม่รู้สึกตัวห พิจารณาลมหายใจเขาออ้าเป็นพิจารณาเห็นผู้ตายอะไรมันตายมันตายเป็นอะไรกายนี่มันของแตกของตายเดีย๋ยวนี้มันก็ตีงตัวได้อยู่กระดุกกระดิกได้อยู่มีลมหายใจเขาออ้าถึงม้ลมหายใจเข้าแล้วมันหายใจออกมันก็ดับสูญไปมันก็เย็นมันก็ ไม่พบบวมขึ้นมาไม่ปืดขึ้นมาเดี๋ยวมันก็เปลือยเน่าไปละลายไปมันก็ไปกินดินเน่าไปลงพุ่เต่าแล้วมันเกมันเกิดมาจากไหนหรอมันก็มาจากดินเน่าไปลงพุ่งเต่าแล้วมันเลยหมดที่อนาปาสิติเลยหมดด้วยพิจารณาเลยเป็นเป็นธรรมไปอีกมันเข้าถึงธรรมแล้วคมันสงบเข้าถึงธรรมแล้ว อยู่นิ่งเฉยทีต่ต้องัำอย่างการว่าอันนั้นดีอันนี้ดีเท่ากันนั่นแหละไม่มีพิแตกอะไรกันหรอกขุทโทดโถดีหรือว่าอนาปาติยิงถูกนิสัยหรือว่ามานาณติยังถูกนิสัยอะไรต่างๆอสุภากัียงถูกนิสัยไปหาโม่แต่คนหัวหายถูกนิสัยทั้งตน แล้วไม่ถูกสักทีอพิจนานะรณาป่าจะมดเรื่อ ง, ข, องขาก็ว่าฐานองควหลวงลงความตายแล้วมุดเท่านั้นเนี่ยกรรมฐานทั้งขวางหมดอยู่ที่ความตายพอลงความตายมันปล่อยวางมดุดมันก็ว่างเปล่ามันก็หลงถึงหลกักอันที่พูดตะกีน้นี่วะเข้าถึงความเป็นกลาง จิตก็นิ่งเนี่ยเป็นสมาธิอันนี้เรียกว่าอัดสมาธิเราถามไปเลย